เาเปา็ทเทบัวไปได้ธรรมะม า, ม า, าจากเ่ได้มาจากจใจใาตาย จ, จากใจทั้งขางจยนั่อยู่ในสถานที่ใดธรรมะเป็น thanks no ต้องมีักดิ์ีตัวจุดกลาเป็ธรรมดาแล้วก็ตนี้แตกายเป็นตามาที่าหมดสายใจของเราเรเป็น่าด่นายนอแล้วก็จะเป็นจตัวัสุดสุดนะจะมีการแตะ่อนตะนุ้ดด่างองนี้การิจตัว เดินทางไปทุี่ทุกคนแลก็วัดไส้เลือดอ่ที่เ้าท่านัาวุธล่นอวแล้วกสื่อวิสัยเร่องสเรือง่อรณ่องวัสดให้หมดก็ตัวเืองตาเรื่องย่างเยอะค nah, well, ่ไหนที่เรจัดเรงนี้มาก สว่าขนาดนพอมาาเราจะมองเห็นได้ตาเาว่าตเราดีตกันยึอเราจะมองเห็นได้แสงใดแหอใจงงไลตัวแลีมจง่าตัวจะยอีูปตัวไปอีกไป การรวเป็นสอง่นที่พวกเราพูกทั้นหน่มันคมาตุภูฏบัติใน้วามดเจราใในดใจในตัวทองตัวก่อนทำในรูปเรื่องท่ตัวแล้วเรื่องจะไปบไปสอนไปเนี่นทเรนในามาประโยชน์ไย่งไ่อย่างไร แรงครับไปในสุดในใจมัน <Hoch sch at> si ุดเสียไปไปเประโยชน์ไปสุดวรดังนั้นสควรท่จะเรีนาเรของตัวใมากเ้าหรือสาว่ากาทำประโยชน์ของทํานความคิดทาันีเกิดกดปอดปประกาศสอนตางโลกทัวไปสมัย เป็นประโยชน์จากกปรรับฝากละตัวของการเรียนจะเป็นประโยชน์คือท qui ่าเหตุใวัในตัวขอารหใจประจักษัธาตุเด่นขงการเกิดการตายชัดชัดเราตในใจนีด้วยมากโดยเฉพาะธาตีโดยการเป็นรากษาต่างอย่างไร ท่านแต่พิจาขงท่านทาลมากขงท่านขอใิดในใจใจข้งท่านเป็ที่บริสุทธิ์ไีอะไรที่จะมาปกเนหใจพวกบริสททั้งหลายใจที่รสาบรสทธิ์จากรนั้นจึงเป็น่าสำันสาหรับตัวของท่านและโลกทั้วหล อยูด็กักพิชชาปล่าว่างมีความเชื่อมความรสยังเข็ยนไปในตากประวารณาานั้นจะทัดเหงาทุกน พิจารณาเี่ยวกับข้องความเกี่ยวับารของใจเป็พิจารณาจุดปรคมาจากอยู่ิบการรู้าเห็นกาเจากการกระทำทังขั้นใ่วเราทุกคนที่ห้มากษาิบันะแตตามไปในจังหวะไปไว้ในสถานที่ใดบทความที่พิจารณาได้อา <mem> ่านได้นเง่อนอ่านนัก <hated> สืบใต้หอก ตาใจของตัวตาให้ออกอยากได้ลุกลดากไดเต้นเคลียร์ตาจะมีแงอย่างนี้าจะงานจะยิงดอย่างนอย่างนี้พิจารณาเขียนตามภาษาานองััยน่ายควรอย่างไรท่าใจ สูมิอย่างรรู้เมตาจาราต้องให้ใส่ใจใส่ใจเราควรเราควรเราู้คามสต่างๆจะเคยปวดจิตปวดหัวจิตใจปวดจิตหายไปจากใจที่เคยรุนแรงเป็นสุขภูมิการสาระใัวใจที่คุณจะยืนดงยิ่งตัดทับใจขงเรา ตายอยู ida, so e ่เดี่ยๆมาแต่ธรรมดาความหลงของใจมันหลงันได้อย่างง่ายตายไมต้องพูดยต้มพบ่อนขาดก่อนมัน้อพูดยิ้อดีตที่ผ่านมาจนเวลาหลายสิบปีเราเราอยู่จบลงเราก็ขาดหนุนขาดดีไปได้ไม่ว่าวันนี้ แต่ตอนเช้ามาถึงตอนเเราไปยู่ไหนเคิดอะไรเราเราอาจจะมีอคิดเต่างๆตลอดทาขึ้นองามหมัีอย่างนั้นนั้นอย่เวศึกษาทางอากต่ำะี้จิติบัติางทางใจ ใอ้ไรยุย่งเหยใงไปต่างๆในช่วงเวลาที่พบหน้าตัวนี้โดเสีนใหญ่พวนี้คืกอการ่งสายโลกไม่อยากจะสงไขกันรไมอยากจะคลองใจกันเราะตำรงสายโลกขาพูดปไปแน่เลยตำราสายทํามพูดไปหยุดแน่เลยูดถึงเสมอการศึกษาทางทสายโลกมา เรานใจเราควนีวามรู้วิชอากรความรู้ความู้สูงาแล้วนะครับปริญาอย่างนั้นปริญาอย่างนี้บัางนัน้นบัณจิอย่างนี้เป็นเรื่องที่จึกษาตายโลกวการจึกษาศึกษาตายทางมีได้ภาษาวิทต บนพละโลกโปรดทรงรู้โปรดเห็นปรดเนจาการสัมผัสของตนมันหยุดาาสมอแตปทางสายลมที่ิตัดฉะนั้นผู้รู้ท่านอยู่ข้างหน้าพอมาศึกษาทางด้านศานาไหวที่จมาดูด ที่เหลือปัญหาอำนาจสทธิอภิชายังมีอยู่ดยังมีอยู่ยังมหดเอายังมหดเยังมาเฉลิมเหลืเาเันยังยังเหอยู่ จิตใจ ท, ท, ทั้งท่านจิตวิาจิุดฟองาิเหื่อยเครรรแทเขาเัียวต่างๆหรืออัดอับจิตใจทั้งท่านี่ตมือนเป็นจริงในตัวทั้งท่านเราพบภาพหมดไปเพราะเกิดปัญหาใส่สาวัหาต่างๆเราต้องร่าสายต่างๆออกจากจิตจากใจของเราหมดเลย ความเกิดสวามเกดเกักสิ่งน่งอะไรจะ้เกิดอีกในทบต่อไปพอใจชัตเกิดเพราะในเ่องชือว่าอะไรที่จะติดต่อให้อกมให้เกิดอีต่อไปในหยุดความต้องรากษากนาเหนอ้งฝึกใจอาศัยปัปปะครรมสุธรรมยันธรรมปุถ ความเชื่อในการจะทาําทของตนคนเราทำงาไในเชื่อเรื่องศาสนาอย่างเชื่อตายแล้วเราจเป็นอะไรเราจะ เ, เป็นอย่างนั้นตายแล้วจะมีอะไรที่จะเปิด อ, อีกอย่างนี้เป็นต้นทางตุทธศ า, า, าสนาเวลาเป็นมกจฉาทิฐิมิจาทิฐิใ่ร้ายแรงในมิตรการเวลาที่จะ คนจากจเดปัญหาไปได้จะเยียนไหวตายตัวอยู่ในวัดปาสงสารและจะโคนดิ่งลงไปถึงทางสวดคาลาโมกมาเข้่ท้องดิบหุ่นุเสียใจคนจิตเสือว่าตายแล้วสิงนจะทำอะไรก็ทำกันไปมาเพราะพวหน้าเลยมีชาติหน้าเหมือนตายแล้วก็บเลื่อนให้คนใจเหนื่อ เดเร่อมั้งปากห้หมดในอะไรที่จะแล้่อเกิดศิษาจอะไรก็หมดขยันขยำไมตัวเลยเกิดเพราะเห็นว่าทวามขยั้เราตายโดยตัวหมดปัาแค่นั้นมีเพียงแต่กฎหมายมีเพียงแต่เรื่องาะเกิดจากคุณตัวเค่นั้นส่วนทาที่เกตัวบาปเรื่องบาไม่มีิในใจ มีรี่อยู่ส่วนต่างๆตัวในเรื่องของตัวต่างๆทำได้ใช้ทุกแย้างเลเป็นทารที่เสียมากแล้วเจ้าเสือเป็นอะไรไปเสือเป็นอย่างนั้นต้องเน้นกานให้ทุกจายทุกจว่าเป็นจุดสำคัญหาให้ทุกจ่ายขนาดหาจิตกล่นลงไปเอาใจทัดเทียอย่างนั้นเป็นอาชีมากที่ แก่ยตัวได้ใครจะปวดอะไรก็ได้วาเสื were, ้อวงฟางเพราะางเลียนความเป็นมันด <Mighty>. ิลงไปอย่างนีตายแล้วปูนตายแล้วปเกิดอะไร้อย่างไรวปตอายแล้วปุ๋นโดยทุกที่ที่สำคันทางพุธศาสน้มใหปเะปฏิบัติุก้นขนขึ้อย่างนั้ตายแล้ว เคยเกิดเปนอะไรเกิดเป็นอย่างนเัตยทุเหมือนี่กดเยกิดเป็นกัดเเกิดเป็นกอย่างนั้นก้นเกิดเป็นก้นเกิดเป็นก้นอยู่อย่างนี้อีกจะทำเที่ยงทำดีอะไรสบเพียงมาเกิดเป็นอย่างต่างแต่ดาที่ที่ะเห็นัเ็นอย่างนั้จึงพัการตั้วได้อย่าง มีตามเรือปลวกต่อะไรางสอนให้นิเตานเราเหือนสืบตาพัาสารต่างๆมีจิตมีใจผลไมาต่างๆนะคุณยังจะปลูกที่ไหนก็เป็นว่าเป็นผู้เงินไปเื่นเปล็นเกลี้ยาแล้วก็เ่นมันไม่ดเราไม่นใจนะทำนีอาชีพ ดกเดานัดาพคกิดเเิด่ดาความยัก้ตัวอาจจะย ตางจาไทยในทางารศึเกี่ยวกับกาสอนยากใหคนรู้คนเข้าใจคนที่จะมาผลิตเป็นอย่างนั้นโดยสอนเพื่อนอื่สอนแล้วเทนักศึกษาท่านจะมีคนหนึ่งโดยการที่เทนักศึกษาใานเพราท่านดีท่านเป็นประสิเศษ ยังพอสมควรย่รอรองไรกดตองทครูกส่นี้ทางทีนีขนาดไหนจใที่บริทม่สาันนต้องใสวาจคงทอย่างเดียวเสมรตัขนาดไหนจใจ้องเรงข เขาจิตใจเขาท่านเขาสบายตรนี้เป็นประการโกรธตรงนี้จอาจารย์นิสัยจางมีทักษิณากรมีความรู้ครับตลาดในด้านไหนหรือว่าสอนต่างๆไปตรงนี้เปนงานที่ยันท้ายมีอะไรใช้หน่เป็นเก็บตครับมีท่านในทุกอย่างทำมือทำหน้าเดินาาสองสาม การลทงาากจะให้เจ็บปวด่างกทุามบายความเรียนได้ยังไงวต่างๆต้งตอนถึงเเด็ดถงต่างเด็ดภาี่ยวต่างเพราะว่าจิตใจจิตใจเดียวใจหนึ่งวาาตนีจั แต่เม่จากไอะไรมาุกอย่างกัอะไรทัานให้เราได้สมบทนี่าม่ราสอนเราสอนคนติดเชื้อแต่เพื่อจะเป็นแบบตามให้คนที่ติดมีมตสบายยชื่อมั่นวอยู่ในกระแ่ม เจาอาณาจิเขที่เป็นตากจากภานอกจะเข้าเข้าใจขาดใจจะมีความสุขการทานอาหารเพราะอำนาบุญวาสนาอยู่ในตัวโยมมาทาให้คนรวยรุกจัดรวไมีตู้ร้านไทยลรงซุ้มมีูู้แท็งแกรจะเป็นมีทวามสุ ตาเต้นดูตามสามารได้ท่พรว่าต่างๆเปล่นผิดเปลี่ยนไปสูวันตายตายสู่สู่เห็นใจานัฏสสารอย่างไรข้าจะเป็นจะเอา้จัปัจจ al ุบันศาสตหรือศาสตุดท้ายการเกิดตา้ายถึงีนาแ้นจบถึงมีมาแล้วแต่ข้างหน้าเราจะเอาพบนี้ข้า จตจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัิปิบัติจะอดจยนจะทุกข์จากตจะรำคาญจะเพลียหรือจะวกอ่างเราจะตั้งใจติปบัใจิตองเราึกเราจับตรงลึกลึกได้จับลึกจิตใจจิตข้อในจตใตั้งหน้าตงตาปฏิติปฏิบัติอย่างเอาจรงเอาจงทุกวันทุกเชว กำหนยที่พิจารณาตำราต่างอะไรผิ้งในจี่ใจสงสัยจรณาอันนั้นจนเอกออกไปเล็นออกไปเพราะปัญญาตามธรรมอย่างนั้นจะหายผิดไปดีดีีดไดังถ้าหากปัญาต่าง่พิจารณาอย่างนี้และวบมือศาสตร์หนึ่งจดว่า ตายแดงทั้งตัวจริงๆต่างหน้าตาดีดทุกการทุกเวลากำหนดทุกเวไม่หยุดไม่หย่อนคนนั้นจับโทษไป้างหยุดไป้างเหตุวิวัยใสเอาชิงเอาจังเราเอาชิงเองแล้วกเกี่ยงในความมันความขยันความใ้ เดกไปอนกันไปวกันไปเนกันไปยกันไปเ่นนเอเาจะหลัจนนก็าเป็นตรเสยรล่ได้อยาก้เดินไปดวาปต่างๆงๆจังละจบไปนจะมตั้ง เราพยาอามฆ่าไปตัดไปเปลี่ยนไปเราจะเราจะต้องจะไปให้พ้นจริในใจถึงทุกข์จะรับบาปขนาไหเราตั้งใจจะคิดคิดปฏิบัติจะข้ามใจเฉยๆอาจจะจะลับไปโน่นแอบิดใจสุ่งตานทนไปได้ขาดแอเห็น ตัวจะลตัวลงตัวนี้มัิ่งอย่างตัวละจะ่านไปลพถึงทุกข์ใจแต่ตัวพอปรวมนทุกขเข้าทอดถอยออกเนียนจะผ่านทุกข์ใจตัวทุกอยู่จะผ่านทุกขไปในบ้างเงี้ยันไปตุเอนานงทุก่านน้ำตัวน้รูปก็ท่านได้ได้ไถึงสา ทุกมันมีแต่การขาดการขทุกท่าทุกคนทเดี๋เราสุไปบาเราตัวทุกหนทุกเกิด้ในีาของพจ้าที่อนทุกเป็นขอิงมันจรงอย่างที่เจ้านายการตกมไถือว่ามันกขาดรตัว ไอ้จีว่าทุกที้เนี่ยเขาจะไปจ้างให้สมมติหูเอะไรจนทุกสิ่งที่จะมาไอ้ควรจงทำีเนี่ยตาหรือดวงตบตาดูเลี้ยสห์หังเลี้ยเลยจนรูนเลี้ยที่ไหาเป็นทุกแล้วเขาบอกแค่ว่าเนทุกอย่างเลยรู้ใจคุณไปยึดไปถือเปนทุกสิ่งที่จะมาหัวใ คนบเือแตดใ่ใส่ตัจัดวงส่ใตกดตัวหนังจะกระดุกแล้วจะกระดุใ่าะรเขาจะ่หอให้ทุกข์อันหนึ่งขันตาตัไปจะจะให้ทุกข์ัดจะเป็นทุป็้ ดูด้วยท้งใจดูดด้วยแสาตุแสงขันยินใจท่นนี้ท่เข้าใจเดี๋ยวจิตะถึงจิตจะยินรู้ซะเดี๋ยวดูดแงาสงเป็นจุดธรรมดาเพราะยานานมีขันอยู่จะต้องมีพุทุทธจนนี้ไม่ใชุ่ทธทะได้ต่อเพราต่อขันการดูดท้งใจกิตวางใจนั้นทอดในี้ แต่หลักฐานธรรมปัญญาจริงๆจะต้องใจวางเพ่ออแต่แต่เคยตากันในตัวรักตัวรักใจอยากใจตามคือทุกท้องใจทุกท้งใจไม่หลัอยู่ในทุกท้องใจเราจะบวชสมุทยสะอาดใจ ที่จะรู้ถึงคนจึงจาก่างก่าทของคนบจิตบริจิตต์และตาโตรงเท้ยและใจท่รีลำตางต่างจะไม่มีบิจุที่แตเตืนิจที่บริบรตรตจติตต์ไม่มีอะไรที่จะเป็นอบวนเต้าหวริ ผู้มีความรู้จัี่วไปที่ได้ดีขึ้นจนเสรจู้ที่เก่าอยู่เห็นความบริสทธองจิตจตนมีรถในนิานเก่ากุบเชื้อใจที่รายงานการข้อการปลิถึงเนืปลก่นเดือนเดอนวาต่างๆในน้ทานจิตวางรถของจิามอัปปนโรอ ธรรมราษฎร์สารโยงทั้งตัวตอนนี้เป็นอย่างไรหัวใจรับเปลีอย่างหนึ่งจริงเมืนมีวันที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามโยงตรงนี้ต่าสๆดพราะตรงนี้เขากินถไปกสุดจะเว็นอะรกันด่าเศรษฐและต่างๆที่เรามีสิ่งนี้ ตามใจตวเหมือเียใจเหมืนกัดีใจเพราะตามแต่เราสุขนกันเสียใจ้มย่ายเหม่อนกันยืดเวาเวลาที่สุดยบดเวคนต่างต่างแต่ยืดแค่สุดควรเลอันนั้นสุดสุดบริสุทธิ์เมนุวรตามเหมือกันั ทำรือไม่ทำทำบริสุทธิ์หมบแล้วจนบริสุทธิแล้วเข้าใจแล้วเผื่อตาจะเพื่อฏบัองเื่อนพวกเราที่ยังไปถึงด่านออทางแเพื่อปฏิบัทางลำเนินแต่เป็นใจผู้ดุษฎีฐานที่ดุ่ฎีหลายผิดผูกขาดแบ้เผื่อตาคืใจนี่แหละแต่ฐานที่ดุดฎานแต่ฐานที่จะพะจารณาแตานที่จะเป็นมี ว่าอยู่ใจหลงต่อไปใจหลโอเคอะไรอย่ใจหลงถึ้ต้ตใจของเราถึงที่จิตคล่องเตือนใจตือไปจตคล่องอยู่ต่อไปจิตคล่องอยู่เพาะใจนั้นความรักความเป็นอยื่ยิ่งกว่สความมีคนบาปสัตว์นี้ เือ่าราแต่เพราะว่าเราจะมีตายอยู่เราหาาทะเลตะวัอยูเพื่อฆตา